ข้าพเจ้าพระภัยบุ์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังสิ่งที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยเห็นเป็นภัจฉมาเรื่องเราตัวเองบ้างเรื่องราคนอื่นบ้างที่เราคิดว่าเออธรรมะแม้นี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเหตุการณ์นั้นๆอย่างบางทีหลายๆคน ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะระลึกถึงคนที่ตัวเองรักตัวเองที่เคยคิดถึงคนที่ตัวเองเป็นห่วงเป็นใหญ่อันนี้เป็นลักษณะของธรรมะที่จะเป็นสิ่งที่เวลาเราเจอเรื่องราวดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์อยากจะให้คนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นด้วยมันก็จึงเป็นเหตุให้บางทีเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีสติอยู่การระลึกถึงในการระลึกถึงอย่างมีสติในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราไม่ได้มีอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้มีเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนแต่เป็นการที่เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นอย่างนั้นนคุณก็ยังมีสติอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานะมีสติอยู่ในธรรมบ้างหรือว่าเป็นลักษณะของธรรมานุสติ ก็สามารถเป็นไปไดนะ้ที่ได้พูดถึงเรื่องสติสติแล้วก็สติมาในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้คนในชาติคนที่ท่านผู้ฟังหรือว่าคนอื่นที่ท่านฟังอย่ากจะให้เขาฟังเพามาฟังแล้วก็จะได้เกิดมีเป็นสติที่คอยเตือนใจคอยระลึกถึงให้เราอย่างน้อยมีความดีความงามอยู่ในใจของเราบ้างเรื่องราวต่างๆที่ใครเชื่อกันไดคนหนึ่งจะระลึกถึง ความดีความงามของตัวเองนี่ก็มีอยู่หลายเรื่องมากแต่วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ก็ตั้งฉา ย, ยากันว่าวิพันตกะภิกษุนั่นคือถ้าวิพันตกะนี่เราแปลให้ถูกก็คือภิกษุผู้หมุนไปผิดก็คือลาสิกานั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นนิทานธรรมบทที่คิดว่าพระมหาเปรียญจะต้องเรียนกันอยู่แล้วเรื่องวิพันตกะภิกษุ แต่พูดถึงพระรูปหนึ่งแตนะ่ซึ่งพระรูปนี้ก็มีความสามารถพอสมควรแตนะ่ตัวเองสามารถปฏิบัติทมจกนกระทั่งได้ถึงฌาสนสะีเป็นลูกศิษย์เป็นเอ่อเขาเรียกว่าสัตธนะนะนะิวิหาริกของท่านพระมาหากระสปะก็คือเป็นผู้ที่พระมหากระสปะบวชให้นั่นเองและมีพระมหากระสปะเป็นอุปชาและก็คือเป็นสัตธิวิหาริกของท่านพระมหากระสปะนั่นเองเพระกอบว่าพอบวชไปแล้ว ได้ชาติสี่ก็ไม่รู้ยังไงตอนไปบินตบาตในหมู่บ้าน้นะปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่บ้านของลุงของตัวเองนะซึ่งลุงของตัวเองเป็นช่างทองนะก็ทําทองคําขายนี่แหละแล้วก็เห็นผู้หญิงที่อยู่ในเรือนของลุงของตัวเองแล้วก็มีราคาเสียดแทงจิตจนกระทั่งลาศิกาไปอันนี้ก็จะเป็นภิกษุประเภทที่สอง ที่เราได้ฟังไปเมื่อวานนะเป็นนักรบประเภทที่สองที่มีอยูนะ่ได้อยู่ในนักรบอาชีพต่างๆแนะก็คือว่าผูกสอนธนูและแร่งสอนนะสะพายดาบอาวุธกรอบมือเพื่อที่จะเข้าไปชิงเมืองปรากฏเข้าไปถึงโดนฆ่าศึกโดนฆ่าศึกนี่รุมฟันแทงนะก็ทำให้มีบาดแผลเต็มตัวพอมีบาดแผลเต็มตัวแล้วก็จะกลับมานะถึงที่ สำนักตัวเองเพื่อที่จะให้หมูญาช่วยกันพยาบาลรักษาหมูญาติพยาบาลรักษายัางไงก็ตามแล้วก็ยังตายคาที่รักษาหรือว่าตายก่อนที่จะถึงสำนักของญาติด้วยซ้าก็เข้าข่ายของลักษณะภิกษุรูปนี้นะคือไปวินทบาทนะเห็นมันตุกามคือผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วก็เลยราคาเสศษแทงจิตอันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่ากลับถึงวัดหรือยังหรือว่า ศึกระหว่างทางนั้นก็คงจะไม่เป็นประเภทที่2ก็ประเภทที่3นั่นถ้าเปรียบเทียบกับนักรบประเภทที่2ก็คือตายระหว่างทางยังกลับไม่ถึงสถานที่ปฐมพยาบาลหรือนักรบประเภทที่3ที่กลับไปถึงสถานที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ยังตายกลางโรงพยาบาลนั่นพิสูจนวันพิติกะพิกษุนี้เขาก็ลาสิกขาก็คือศึกไปประศึกไปอยู่ครองเรือนนั่นก็อยู่กับผู้หญิงคนที่เวงชอบนั่นแหะ อยู่ไปปรากฏว่าขี้เกียจ ต, นะตัวเองเป็นคนเกียจคร้านทำอะไรไม่เป็นไม่ยอมทําอะไรแล้วนะก็ทํำยังไงล่ะทีนี้พวกคนในบ้านเขาก็เลยขับไล่หนีไปนะไม่ให้อยู่ด้วยหนีไปทอดทิ้งวางกันแล้เนะนื่องจากตัวเองก็ไม่มีความรู้อะไรแลนะ้ก็เลยไปหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการ เ, เป็นโจรนะวันพิจากณาภิกษุเนี่ยลาสิกขามาแล้วไปครองเรือนแล้วถูกเขาทิ้งแล้วตัวเองไปเป็นโจร เป็นโจรแล้วนะปรากฏว่าถูกจับได้อีกแหมยิ่งกว่าละครนำ้ำเน่าเต็มฝั่ ง, งแต่มันเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมานะถูกเป็นโจรจับได้เสร็จปุ๊บนะเขา ก, ก็จะประจาลนละประจานเขาทำยังไงเขาก็เอาโจรวันพิจิกะเนี่ยเป็นทิดแล้วเนี่ยนะามาใส่เครื่องจองจำเราก็มัดแขนมือไพรหลังแล้วก็โกนผมแล้วก็ เยี่ยนด้วยวายทุกทุกทางสี่แพร่งน่าพาไปแล้วก็จับเข้าในตะแลงแกงในระหว่างนั้นท่านพระมหากรสปะเพลินไปบินทบาตพอดีน่ได้เห็นพวกราชบุรุษเนี่ยจับลูกศิษ์ของตัวเองนัคือทิศ ท, ที่ลาศิกไปแล้วในชื่อวันพิตกาศเนี่ยายาก็ตั้งให้ก็เลยพูดกับอิอตาทิตตุคนี้น่ะบุรุษผู้นี้ว่า อาให้เธอระลึกถึงนะกรรมฐานนะระลึกถึงเรื่องอยู่ของจิตที่เธอเคยได้มาแล้วในการก่อนนะพูดแค่นี้ปรากฏว่ า, าทิศคนนี้เขาก็ระลึกถึงอตอนสมัยที่เขาได้ฌานสี่มาก่อนนะทำให้เขาจิตเนี่ยจิตของเขายัางลงถึงฌานถึงสมาธิในขั้นนั้นนะที่ตัวเองเคยทาได้ปรากฏว่าพวกราชบุุษก็จะเอาไปประหารละ ถึงที่ประหารละก็จะประหาราทําโทษต่างๆปรากฏว่าบุรุษคนนี้นในวันพิธกะเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเลยในใจเขาแน่วแน่นิ่งมากเพราะว่าความที่มีฌานสี่อยู่ในใจนเป็นผู้ที่มีอุเบกขาอยู่มีอะไรมากระทบก็แน่วแน่นิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยนี้คืออุเบกขาหนึ่งจึงเป็นที่จดจันทของพวกคนที่เ้ามุงดูกันทั้งหลายาผู้ที่มามุงดูมาประชุมกันเพื่อที่จะดูเหตุการณ์ น, นี้เขาก็ เป็นที่จดจันกันมากว่าโอ้ทําไมคนนี้ถูกจะทําร้ายขนาดนี้เอาอะไรมาจะทิ่มแทงเอาห อ, อกเอาดาบมาก็ไม่กลัวพอเขาไม่กลัวเนี่ยพวกราชบุิษคนทั้งหลายเขก็ไปแจ้งความนี้กับพระราชาแต่พระราชาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้านำกลับทูลเรื่องนี้ให้ฟังพุทธเจ้าพอทราบแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นสัตว์ทิหาริยของท่านพระมาหากษัตริยนัเคยบวชด้วยฌานสีก็เลยสแสดงธรรม ด้วยการกล่าวเป็นกระาอย่างนี้ว่าบุคคลใดมีอะไรดุดหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่าออกแล้วน้อมไปสู่ป่าพ้นจากป่าแล้วยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิมท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นแหละเขาพ้นแล้วจากเครื่องผูกยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิมนะว่าอย่างนี้แล้วพอแสดงคาถานี้จบนั่นก็คือพูดถึงว่าการที่ใครสักค น, ห, คนหนึ่งเนี่ย ออกมาสู่ทางโล่งแล้วนั่นคือบวชเป็นภิกษุแล้วน่ะก็ยังกลับไปหาเครื่องผูกตามเดิมอีกนะ่ะมันมีประเภทนี้มีอา่าพอแสดงธรรมให้ในลักษณะนี้น่ะคนทั้งหลายก็ได้ฟังเหมือนกันนะนะอ่ปรากฏว่าอิตาวันพิจตกะคนนี้นะ่ะที่ถูกล่ามถูกอะไรอยู่ถูกผูกอยู่นะ่ะก็ได้สติขึ้นมาอีกนะ่ะจากสมาธิที่ตัวเองได้ในชาญสีณนะขณะนั้น นัก็มีการพิจารณาเห็นวิปัสสนาตามที่เป็นจริงนะัจึงบรรลุ น, ะเ น, นนะัเป็นโสดาบันนับรรลุเป็นโสดาปฏิผล ต, ตรงนั้นเลยนะั่แล้วก็เอ่อมาหาพระพุทธเจ้าในะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบวชในะในการต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะซึ่งอา่าการที่พระพุทธเจ้าตื่นสติบอกว่าใครที่น้อมไปออกจากเครื่องผูกออกจากป่าแล้วนันะอย่างภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่า ออกจากป่ามาสู่ที่โล่งล้วท่านพรเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนช้างป่าช้างอยู่ในป่านะถูกช้างหลวงเข้าไปในป่าคล้องคอออกมาสู่ที่โล่งล่ะแล้วก็นะเหมือนกับการที่เราได้มีโอกาสบวชแนะลรีออกจากกามนะป่าในธรรมะเวลานี้เหมือนถึงการที่ยังจมขลุกอยู่ในทางกามแล้วนะคุณจมขลุกอยู่ในทางกามนะคุณออกมาจากตรงนั้นได้ถือว่าออกมาที่โล่งแล้วสบายกว่านะไม่ใช่เหมือนกับว่าป่าจริงๆนะ อย่างพิสูอยู่ป่าจริงๆแต่ว่าถ้าใจนำปราศจากกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนก็เหมือนกับอยู่ที่โล่งโปร่งสบายแต่ถ้าคารวาดอยู่ในเมืองเป็นตึกด้านบ้านช่องคอนโดสวยหรูแต่ถ้าใจนั้นยังรกรุงรังด้วยเครื่องผูกคือกามก็เหมือนกับใจนั้นยังอยู่ในป่าดัง น, นั้นประเภทนี้ก็มีซึ่งในนักรบ5ประเภทหรือพิสูจน์ประเภททั้งสองนัยยะที่ได้กล่าวให้ท่านฟังไปฟังเมื่อวานในเรื่องของโยธาชีพสูตรเนี่ย ก็ไม่ได้ระบุว่าอันไหนดีนั่นะคือใน5ประเภทแตเปรียบเหมือนกับ2กลุ่มด้วยกันในะกลุ่มแรกก็คือนักรบที่ตั้งอยู่ประจําการและมีคนอื่นมาตนะีหรือกลุ่มที่2ก็เหมือนกับนักรบที่ไปยกทัพไปตีคนอื่นแตนะ่ก็เปรียบกับภิกษุกลุ่มแรกนั่นะคืออยู่ที่วัดแล้วมีผู้หญิงมาหานะนักบวชกลุ่มที่2 อ, ออกไปบินตบบาบัดแล้วไปเห็นผู้หญิงนุ่งชั่วมชั่วนะซึ่งทําให้เป็นเหตุให้พูดถึงภิกษุ5ประเภทเนะปรียบเทียบกัน นะโดย4ประเภทแรกทั้งสองนัยยะเนี่ยลาสิกขานะมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งกครือขัดในระะพวงสุดท้ายนี่ยก็สามารถรบชนะแลนะแล้วก็ครองสนามรบไปได้นะก็เปรียบเหมือนกับภิกษุที่รู้จักการรักษากายวาจาใจกันตัวเองออกปาลีรันแล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะบรรลุปเป็นพระาอารหันต์ได้นี่ก็มีซึ่งไม่ได้บอกว่าอันหนดีหรือไม่ดีอันนี้คือพูดให้ฟังว่าแม้นักบอาชีพเข า, เขายัางมีอย่างนี้ แม่นักบวชก็ยังมีอย่างนี้นะซึ่งเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่มีมาพูดถึงพระบวชปวดสึกสึกสึกแล้วบวชบวชแล้วสึกนะจะสึกพระพุทธเจ้าเทศน์สอนไม่สึกอะไรต่างๆอางล่านี้สึกแล้วกลับมาบวชใหม่นะบรรลุก็มีนะสึกไปแล้วทําชั่วนะตกนรกก็มีนะกลับมาบวชใหม่ทําไม่ดีตกนรกก็มีซึ่งมันมีทั้นั้นนะเราพูดที่ข้าพเจ้าพูดในที่นี้เนี่ยกาลังบอกว่า ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในสารภาพไหนก็แล้วแต่แตนะ่แล้วเรารักษาความดีความงามในสารภาพนั้นได้อันนั้นดีแตนะ่คือไม่ใช่ว่าคนที่สึกไปแล้วนะคุณบวชเป็นพระอยู่คุณศึกไปคุณอาจจะไม่ดีโอ้ยตัวอย่างมียายายทางฝั่งในเมืองไทยอย่างพระเด็กปินก่นมะุทุกันนะเป็นนะเป็นพระบวชอยู่ได้เปลี่ยนหประโยคนั้นะลาสิกขาไปนะไปรับราชการทหารสุดท้ายมาเป็นอธิบดีโครงการาศาสนานะมีผลงานเยอะแยะตามประโยชน์มากมายอันนี้ก็สึกไปนะครองเรือน แล้วก็ทำประโยชน์นะก็มีหรือคนที่สึกไปนะเป็นโจรอย่างในกรณีของวันพิจิกาภิกษุนี้ก็มีในะเรื่องมาในธรรมบทแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาบวชใหม่ก็บรรลุปเป็นพระอรันก็มนะีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะแต่ว่าถ้าเราทำความดีนะเรารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทาหน้าที่ของตัวเองนะนะก็ถือว่ามีดนะีซึ่งพระเจ้าเนี่ยบอกให้ฟังเฉยๆว่า มันมีนะคนหประเภทนี้แต่มีนะเปรียบเทียบกับภิกษุ5แบบนี้และเปรียบเทียบกับนักครบ5อย่างเหล่านี้ซึ่งสําหรับเหตุปัจจัยที่ใครสักคนหนึ่ ง, นนงเนี่ยบวชเป็นพระอยู่เขาจะลาสิกขาไปได้เนี่ยก็มีเหตุปัจจัยอยู่4อย่างซึ่งพระเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้แลเปรียบเทียบกับบุคคลที่ลงน้ําลงเล่นน้ำเนี่ยจะต้องคอยระวังภัย4อย่างนั่นคือภัยจากคลื่นภัยจากทะเลภัยจากน้ําวน แล้วก็ภัยจากปลาร้ายนะมีสี่อย่างจากจระเข้จระเข้เป็นยังไงนะก็คือเปรียบเหมือนกับกุลบุตรคนใดคนหนึ่งออกบวชแล้วนะก็ต้องระวังภัยสอย่างนี้ภายในพ้าเหลืองนี่แหละนะตัวเองต้องระวังตัวเองเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้ต้องลาสิกขาได้กลับไปสู่ป่าอย่างที่ว่าอีกนะภัยจากคลื่นเป็นยังไงนะคือความโกรธความขับแขนนะตัวเองบวชมาก็จะต้องทําตามใจยังไงก็ได้ แต่พอบวชมาแล้วก็ต้องทําอย่างนี้เดินอย่างนี้ถอยอย่างนี้เป็นพระแล้วต้องทําท่าทางอย่างนี้ต้องทําอะไรอย่างนี้จีวรต้องนุ่งอย่างนี้ถือบาตรต้องทําอย่างนี้ถูกเขาจ้าจี้จ้าชัยอะไรต่างเหล่านี้โดยคนที่มาจ้าจี้จ้าชัยนี่อาจจะอายุน้อยกว่าด้วยซ้ําแต่บวชมาก่อนแล้วก็ต้องมาคอยถูกเขาว่ากล่าวตักเตือนแล้วตัวเองก็เลยโกรธแค้นเคืองแล้วก็เลยจึงต้องลาศิกาไปอันนี้เปนเ็นเหตุที่หนึ่ง นะีมีอยู่เนะมีอยู่อันนี้เปรียบด้วยกับภัยที่เกิดจะคลื่นนะี่ยสหรับภิกษุด้วยกันอันที่สองก็คือใครก็ตามที่ลงน้ำต้องระวังเรื่องของจระเขเป็นไปได้นะีจะมีภัยตรงนี้สําหรับภิกษุที่มาบวชก็ต้องระวังเรื่องเจ้าจระเขเหมือนกันแนะี่ยจระเขเป็นยังไงก็คือเรื่องปากทองนี่แหละนะีตอนเป็นฆราวาสกินได้ทุกอย่างเวลาไหนก็กินนะเนี่ยเาให้ไหมให้กินได้หมดนะีมีเงินก็ไปซื้อเอาแต่เป็นพระแล้วมันทำอย่างไงไม่ได้ในะสิ่งนี้ กินไม่ได้สิ่งนี้ห้ามกินสิ่งนี้กินได้แบบนี้อันนี้นอกการในการดื่มได้เด๋่มไม่ได้อันนี้ห้ามกินอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้โอ้มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับบางคนแต่ถ้าเขาทนไม่ได้เขาเข้ามาคิดถึงการข่าวว่าทําไมฉันจะกินไม่ได้อันนี้เขาให้มาทําไมจะกินไม่ได้นะทําไมจะต้องมากินเวลานี้ก็จะมีความโกดห ง, งิดใ จ, จละ่ะมีความโกรธความขับแค้นก็จึงต้องลาสิกาไปนี่ก็เป็นเรื่องของ จระเข้น้ำพายจากจระเข้อีกอันหนึ่งก็คือภัยเรื่องของน้ำวนนะน้ำวนนะคนที่ลงน้ําก็ต้องระวังเรื่องน้ําวนมคนที่มาบวชก็ต้องระวังเรื่องน้ําวนเหมือนกันน้ําวนนี้คืออะไรนะก็เหมือนกับนะักรบประเภทที่2และประเภทที่3ามนะที่ว่าไปสู่ในบ้านนะตัวเองไปบินาบาบนะแล้วก็ไม่สมํารวมกายไม่สมํารวมปาจญไม่สมํารวมใจนะเข้าไปเห็นตัวนี้ไม่ได้เห็นผู้หญิงนุ่งชั่วหมชั่วละ แต่เห็นกระดาบดีที่เขาเอิบอิ่มด้วยกรรมกุลทั้งหะโ่มมงง้มีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้นั่งรถอยู่บ้านดูทีวีโอ้เราก็เราก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าอยากจะไปเป็นอย่างนั้นอีกนะอยากจะไปหาความสุขในลักษณะนั้นอีกนะตัวเราเองก็ยังมีทรัพย์อยู่อาจจะมีคนเลี้ยงได้ไรายไดนะ้ก็เลยลาสิกขาไปหมุนกลับไปสู่เพศตําแห่งกุงหัตอันนี้ก็เป็นไปได้นะสําหรับพระก็มีนะภัยนี้เขาเรียกว่า ภัยเกิดจากหวังบุญอีกประเภทหนึง่งนะก็คือภัยที่เกิดจากปลาร้ายในบางในที่นี้บางคนก็แปลว่าปลาฉลามนะ้ำปลาร้ายคืออะไรก็คือลักษณะเหมือนกับพิษสูตเนี่ยไปบินตบาบอดแล้วก็ไปเจอผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วทำให้เกิดราคะเสียดแทงขึ้นในจิตนะตัวเองทนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องลาสิกาไปอันนี้ก็เปรียบนะครบกลุ่มที่2ตรงนั้นนั่นเองเ อ, อ่านี่คือภัยเนี่ยที่เกิดในในผ้าเหลือง เนี่ยทำให้ผ้าเหลืองต้องร้อนจนหนึ่งต้องสึกได้อันนี้ครัพระเจ้าไม่ใช่หมายความว่าต้องสึกหรือไม่ต้องสึกแต่นี้พระเจ้าพูดถึงเหตุการณ์ว่าถ้าใครแคกคนในคนหนึ่งจะสึกเนี่ยมันก็4ี่เหตุการณ์นี้นะซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเรื่องของการทั้งสิน้นแต่แม้ว่าคุณจะป่วยคุณป่วยจนกระทั่งว่าเออฉันต้องรักษาตัวงั้นฉันศึกแล้วกันหนะรือว่าคุณต้องไปครองเรือนอา้าวสัญญากันไว้ฉันต้องสึกก็นะเลยต้องไปแต่งงานนะเพราะสัญญามั่นเหมาเอาไว้นะหรือว่าไปรักษาตัว ไปทำกิจการงานมีหน้าที่อะไรกแล้วแต่ก็คือรวมอยู่ในนี้นะแต่คุณจะอ้างว่ามีเหตุจําเป็นเนะ่ยต้องดูแลกิจการงานครอบครัวออกพรรษาแล้วสัญญาเข้ามาแค่เดือนเดียวเออสเดือนหนะ่ะพรรษาเดียวตอนนี้ครบกําหนดแล้วต้องออกนะั้นก็จะอยู่ในเรื่องนี้แตนะ่เพราะว่าเราเคยมีความสุขอย่างนั้นมาก่อนพอเรามีความสุขอย่างนั้นมาก่อนเอ่ออิ่มเพลียพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5้าเนะเราก็จะต้องกลับไปสู่ตรงนั้นนะการกลับไปตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าโดนกําลังของน้นําวนไง ในน้าวนดูดกลับไปแั่นก็เรื่องกรรมกุลหาไม่หนีไปจากนี้นัเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งถ้าใครสักคนใดหนึ่งท่านผูฟังใครสักคนใดคนหนึ่งนัพ้นอดทนอดกลั้นในการที่จะฟื้นประพฤติปฏิบัติโภมจันทร์แล้วก็ในการที่จะอยู่รักษาความปฏิบัติของตัวเองในโภมาจันท์ของตัวเองเนี่ยต่อให้น้ําตานองหน้าผู้เจ้าก็ยกย่องบุคคลประเภทนั้นถ้าเกิดในสามีกสามิกนึงท่านฟัง ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องสึกจะต้องอยู่สึกดีหรือไม่สึกดีอะไรต่างๆเราเอาเหตุผลมาชี้แจงเข้าใจกันนะว่ามันมีคนที่สึกก็มีคนที่อยู่ก็มีถ้าสึกมันก็เหตุผลนี้แล้วถ้าอยู่พระพุทธเจ้ายกย่องอะไรบ้างนะก็อยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกย่องในฐานะที่คนสันเซิญห้าอย่างเนะช่นเป็นคนที่มีศรัทธานในกุรศลธรรมมีหิริในกุรศลธรรมมีโอตัปะในกุรศลธรรมมีความเพียรในกุรศลธรรมมีปัญญาในกุรศลธรรม ทำห้าหมวดนี้นํามาในสิกขสูตรน็เรียกว่าอยู่ในอังคุตระรันิกายปัญจกะิบาทใครไปตรวจสอบก็ได้แต่ใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นพระนี่แหละทนทุกขโมนัดน้ําตานองหน้ายอมประพฤติปรมจะมา์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ควรจะสันเสริญด้วยฐานะ5อย่างนี้ข้าพเจ้าก็เคยเห็นจำฝั่ ง, งมีดวงตาคนหนึ่งมาบวชเมื่อแก่ตัวเองก็มีหนี้มาก่อนอยู่หลายแสนอยู่พอสมควร คนมีหนี้เนี่ยก็บวชไม่ได้ใช่ไหมก็เลยภรรยาก็โอเคตกลงด้วยยอมรับโอนหนี้มานะแล้วตัวเองก็ไปบวชเขอบวชเาขาพรรษาหนึ่งขอบวชพรรษาหนะึ่งครบกําหนดก็ยืดต่อไปอีก4เดือนนะให้มันได้อ น, นี้ส่งกฐินกันเอ่อพอครบกําหนดก็ยืดต่ออีกภรรยาคนนี้ก็เริ่มจะมีอาการนิดหนึ่งเพราะว่าอ้าวแล้วหนี้ไหนว่าจะมาใช้นะก็หลวงตาคนนี้พอท่านไปบินตบากก็ถูกถามเรื่องนี้อยู่ตลอด ต, ตัวเองก็เป็นทุกข์ใจมากเลยบางทีทุกข์ขนาดที่เรียกว่าน้ำตาหนองหน้าเอ๊จะทํำยังไงดีฉันก็ว่าบวชแล้วดีแต่ว่ามันครบสัญญาแล้วก็จะต้องไปตัวเองเขาพยายามที่จะรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทนน้ำตาหนองหน้าอยู่เห็นคุณธรรมทันทีเห็นคุณธรรมว่าเขามีศรัทธาในกุศลธรรมแล้วเขมีหิริมีโอตปะมีความเพียรมีปัญญาในที่นี้ยังไม่ได้พูดถึงสมาธิถึงคุณธรรมเรื่องสติด้วยซ้ํา แต่พระเจ้ายกย่องในเรื่องความที่เห็นนายผิดชอบช่วดีคือในเรื่องนี้ก็ต้องยกย่องบุคคลที่ทนประพฤติประวัติจัดได้ใ น, ในกรณีนี้ซึ่งสุดท้ายน้ำพระยานี้ก็กดดันหนักมากถึงขนาดว่ามานอนเฝ้าหน้ากุฏิจะเข้าไปกอดจะถลกผ้าเหลืองแรงต่างก็คอยป้องกันนะรักษากันมาได้สุดท้ายหลวงตานี้ก็ได้มรณภาพาไปโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ท่านฟังว่า ไม่ว่าคนจะสึกหรือคนจะอยู่ถ้าเขาอยู่แล้วเขาปฏิบัติได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระเจ้าก็ยกย่องถ้าเขาไม่ได้อยู่นะก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาศึกได้ก็มีถามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คนที่ได้รเรียนทำสูงๆเนี่ยน ะ, ระเรียนทำหนึ่งสองจนถึง9เนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้ไหมคําตอบคือรู้แน่นอนเพราะว่าได้เคยเรียนมาเป็นหลักสูตรที่ตัวเองจะต้องศึกษาโดยเฉพางิงเรื่องของวันพิธกะภิกษุหมวดธรรมมือเดิ น, นก็คงจะได้มีโอกาสศึกษาบ้าง แต่เราก็เห็นคนที่ปเปลี่ยนก้าวศึกก็มีคนที่บวชใหม่ศึกก็มีนคนที่บวชแล้วทําดีก็มีคนที่บวชแล้วทําให้ดีก็มีแล้วถามว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราอยู่ในฐานะไหนแล้วเราทําดีอันนั้นดีแน่อยู่ในฐานะที่ทําดีได้แล้วเราทําดีอันนั้นก็ดีเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของพระสงฆ์ถ้าคุณเป็นพระอยู่คุณก็ปฏิบัติประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้ดี นะอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจของกามถ้าคุณประพฤติได้ต่อให้คุณจะมีความทุกข์ขนาดไหนนะบางองค์บ่วยได้รับทุกขเวทนาก็ทนอยู่ฝืนทนไม่กินข้าวเย็นถูกดา่าถูกว่าเสียเสียหายหายด้วยคําไม่จริงก็อดทนไว้นะอยู่ปาครัวจนร้องไห้ประวัติกูบาจารย์อต่างๆท่านก็เคยระบุเอาไว้นะถูกกดดันให้ต้องศึกแต่ก็ยังฝืนทนไม่ศึกแล้วก็ได้รับการยกย่องนะแล้วก็การที่ เราเป็นคารวาสนะสาหรับคุณเป็นคารวาสแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็อย่าไปนุ่งชั่วห่มชั่วไปหาพระ่อยู่ในบ้านก็นุ่งห่มให้มันเรียบร้อยหน่อยมนจะไปคุยกับพระสงฆ์แต่คุณก็อย่าไปชวนพูดคุยลักษณะที่เป็นระลึกซิกซีสวนเสเฮฮ่าหวเราเสียงดังย่อเยา้าอย่างนั้นก็ไม่ควรแต่นุ่งห่มก็ให้เรียบร้อยหน่อยลักษณะนี้เราเป็นผู้ชายเป็นอุบาสกเราก็ทําหน้าที่ของเราไปในการศึกษาธรรมะปฏิบัติรักษาศีลไปอันนั้นก็เป็นดี เป็นการดีแต่นะเพราะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเสี้ยนน้ำต่อการประพฤติพรหมจรรย์แนะตี น, นี้พระพเจ้าให้ปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงซึ่งเป็นเพศตรงข้ามแล้วก็ให้ปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ต้องพูดคุยเลยไม่ต้องมองเลยถ้าจะต้องมองล่ะท่านบราหนทนถามแล้วก็อย่าพูดคุยแต่พนระพุทธเจ้าก็บอกงี้แล้วถ้าต้องพูดคุยล่ะก็ให้พูดคุยด้วยความมีสตินั่นะก็คือจบที่สตินั่นเองเป็นถ้าตัวภิกษุรักษาจิตของตัวเองด้วยสติให้ได้ เราก็สามารถที่จะรักษาประพฤติพรหมจรรย์ได้คนที่มีสตินั้นจะไม่ได้น้ําตาหนองหน้าหรอกนะคนที่อาจจะยังสติยังไม่ฝึกเต็มที่นะจะมีความเผลอเรอในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้าง แ, แต่ว่าก็ยังทนฝืนเราก็ยังได้รับการยกย่องด้วยคุณธรรมที่เรื่องของศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและกัปัญญาในที่นี้จะไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกสติให้ดีให้ถูกเราไม่ร้องไห้อยู่แล้ว เราจะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และสําหรับคนที่อยากบวชแต่มันไม่ได้บวชแล้วก็คือบางทีจังหวะโอกาสยังไม่ได้แต่บุรุษชาก็เคยบอกเอาไว้แต่กุลบุตรคนใดคนหนึ่งฟังธทำแล้วนะมีศรัทธาในการที่จะบวชนั้นในการต่อมานะก็ละบงญาติน้อยใหญ่ทรัพย์น้อยใหญ่ออกบวชได้ปรุงประมวลหนวดออกบวชได้ซึ่งในการต่อมานี่มันก็แต่ละคนคงไม่เท่ากันแต่บางคนกว่าจะมีจังหวะโอกาสก็แก่ซะแล้ว นะมีลูกมีเมียเต็มบ้านแล้วเขาก็จะอะไรบุคคลประเภทนี้ที่มาบวชว่าหลวงตาอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบวชเมื่อหนุ่มหรือบวชตอนแก่ก็ตามนะเราอยู่ครองเรือนเนี่ยเราสามารถก็ปฏิบัติทําได้นะรักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ทําสิ่งที่เราทําดีอยู่ในสภาวะที่เราเป็นได้นะเราทําดีอยู่ในสภาวะที่เราเป็นแล้วเราก็รักษาที่ว่ารักษาคนรอบข้างด้วยรักษาคนรอบข้างรักษาตัวเอง เราฝึกสติแตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในเพศใดถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีสติแล้วคอยรักษาจิตของเราให้ดีปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีเราทำเราเป็นในน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะทำความพ้นจากอำนาจของตัณหาความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ได้พระสูตรต่างๆ ท, ที่นำมาให้ทำฟังฟั ง, ฟงในที่นี้ก็คือพูดถึงสิกขสูตร ในปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกายพูดถึงโยธาชีวสูตรนั่นะคือที่ก็มาในเล่มเดียวกันอีกประสูตรหนึ่งก็คือพยะสูตรอันะที่พูดถึงเรื่องปลาร้ายคลื่นจระเข้และก็น้ําบนอันนี้มาในพยาสูตรที่อยู่อีกเล่มหนึ่งคือในอังคุตระนิกายจตุ ก, กนิบาตในะมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ที่สามารถอยู่ประพฤติประชันได้ในะพระสงฆ์ที่ต้องลาสิกขาไปภายอะไรที่เรากลุ่จะต้องระวัง และสำหรับคารวาสผู้หญิงในที่ตัวเองเป็นเสียนนาต่อการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นก็ได้พูดให้ฟังในที่นี้ถ้าโดยฟังมีคําถามข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่สะกิดใจแล้วต้องการจะให้อธิบายเพิ่มเติ ม, มแล้วก็สามารถเขียนจุดหมายมาถามได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตําำบลดอนไหายโศกอาเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่พีเออธ a รมะดอท puredha.mm.com คนบวชเนี่ยท่านฟังหายากใครบวชแล้วจะประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็หายากใครสักคนใดคนหนึ่งบวชแล้วเราควรจะสนับสนุนให้เขามีการประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บุดุรุญสิ้นเชิงอันนี้เป็นการดีในความเป็นของขพระเจ้านะสถีกการบวชที่ไวบว่ก็เพราะว่าพวกที่บวชยาวเนี่ยก็ลดน้อยลง พวกที่บวช15วัน20วันเดือนหนึ่งก็มากขึ้นคนที่จะมาบวชประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันหาน้อยลงมันมียากมากขึ้นใครสักคนเดียวหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อยูแ่แล้วเราควรจะสนับสนุนให้เขาประพฤติให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง น, นี้ข้าพาเจ้าเห็นด้วยแล้วเราก็ควรจะประพฤติปฏิบัติเราเป็นผู้อยู่ในสถานะใดๆแล้วก็ควรสนับสนุนผู้ที่บวชนะให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทบริบูรณสิ้นเชิงนั่นเป็นการดีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเชญปอน